ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้าสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายที่จำบรญสาอยู่ในทีต่ต่างๆดูสู้ผอมสอมซ่อมีผิวพันธ์หมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะครั่งส่วนภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัดคุโมทากลับมีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีใบหน้าเอิบอิ่มมีผิวพันธ์ผุดผ่องอันหนึ่งการที่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรถามพวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำปะษาเป็นผาสุขหรือและบิณท บ, บาทไม่ลําบากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้า ยังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่านหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่จำัสสเป็นผาสุขและบินฑบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่า